จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบรตรสัจอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันพุทธที่18สิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันพระวันธรรมสวนรวันฟังธรรมวันชำระกายวาจาใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำมาซึ่งความสุขและความเจริญที่แท้จริงมนุษย์เราจะสุขมากสุขน้อยจะเจริญมากจเจริญน้อยอยู่ที่ว่าสามารถชำระอกุศลต่างๆ ที่มีอยู่ในกายวาจาใจให้หมดไปได้หรือไม่ถ้าสามารถชำระได้หมดสิ้น <c oughs> ก็จะเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้า <c oughs> พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เป็นผู้ที่ได้พัฒนากายวาจาใจของท่าน <c oughs> จนถึงขั้นสูงสุด <c oughs> เป็นที่ น่าเป็นที่น่าเคารพเริ่มสายศรัทธ า, าก่าบวบูชาต่อสัตว์โลกทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนี่เองส่วนสิ่งที่ทำให้กายวาจาใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ก็คืออกุศล ซึ่งมีอยู่สิบประการด้วยกันอกุศลทางกายก็มีอยู่สามอคุศลทางวาจามีอยู่สี่และอกุสนทางใจมีอยู่สามรวมกันก็เป็นสิบอคุศลทางกายมีอะไรบ้างคือหนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองการลักทรัพย์สาม การประพฤติผิดประเวณีนี่เป็นอกุศลทางกายทำไปแล้วก็จะโทษเกิดโทษกับผู้กระทาและผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่ถูกกระทาก็ต้องเสียชีวิตไปหรือสูญเสียทรัพย์ไปหรือเสียคู่ครองคู่รักไปผู้ที่กระทาก็จะพบกับความ ทุกความรุ่มร้อนใจตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายไปใช้กรรมในอบายต่อไปดังนั้นพระพุทธเจ้าทรง ส, งสอนให้พวกเราชำระอากุศลทางกายด้วยการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์และละเว้นจากการประพุติผิดตระเวณี เพาสิ่งที่เราได้มานี้ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปเราอาจจะได้ทรัพย์สมบัติมาอาจจะได้ร่วมหลับนอนกับคนที่เราอยากจะหลับนอนหรืออยากหรือได้ทําร้ายได้รังแคนคนที่ทําให้เรามีความโกรธแค้นโกรธเคืองแต่สิ่งที่เราจะเสียไปก็คือความเป็นมนุษย์ มนุษย์นี้ต้องมีกายวาจาที่สุดจริญคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีเป็นต้นถ้าได้ไปฆ่าสัตว์แล้วจิตใจก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำให้ไปทำบาปถ้าทำด้วยความโลภคือมีพออยู่พอกินแล้วแต่ยังอยากจะมีมากๆก็ทำมาชีพค้าขายที่ที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นจับปลามาขายมาค่าเนือขายเป็ดขายไก่ฆ่าเป็ดฆ่าไก่ ถึงแม้จะร่ำรวยมีสมบัติเงินทองมากแต่ใจนี้จะต้องไปเกิดเป็นเปรตเพราะความโลภอยากได้มากๆแต่ถ้าทำไปเพราะคิดว่าเป็นอาชีพคิดว่าเป็นความจำเป็นเช่นต้องเป็นต้องไปหาปลามาขาย หรือเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่แล้วไปขายเพราะเป็นการหารายได้มายัางชีพการกระทํำแบบนี้ท่านว่าตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานเขาก็จะทําแบบนี้สัตว์เขาจะฆ่ากันเพื่อความอยู่รอดของเขาสัตว์ใหญ่ตีสัตว์น้อยฉันใดมนุษย์ที่ ค้ามีอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะจิตใจก็จะเป็นเหมือนเดรัจฉานถ้าค้าขายเพราะความโลภทั้งๆ ท, ที่พอมีพอกินแล้วแต่ยังอยากจะร่ารวยก็เลยค้าขายอาชีพที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใจก็จะเป็นเปล่ถ้าไป ฆ่าสัตว์ไปฆ่าผู้อื่นเพราะความโกรธความอาฆาตพยาบาทตายไปก็ต้องไปตกนรกนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตหลังจากที่ตายไปแล้วส่วนในปัจจุบันใจก็จะมีความทุกข์มีความรุ่มร้อนใจมีความหวาดกลัว วากลัวที่จะต้องใช้เวรใช้กรรมที่ตนเองได้ทำเอาไว้ไม่มีความสุขถึงแม้จะมีเงินมีทองสามารถอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ก็สุขสบายทางร่างกายแต่ใจนี้จะไม่มีความสุขไม่เหมือนคนที่ไม่ไม่ทาอกุศลทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ตัด ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีจะอยู่อย่างเย็นอย่างสบายไม่มีความวิตกปังวลหวาดกลัวว่าจะต้องถูกไปลงโทษนี่คืออกุศลทางกายส่วนอกุศลทางใจก็มีอยู่4ประการด้วยกันคือ 1. การพูดปดคือไม่พูดความจริง 2. พูดคำหยาบ 3. พูดเพื่อเจอร้สาระฟังแล้วไม่เกิดประโยชน์ 4. พูดส่อเสียดคือพูดเพื่อยุยงให้เกิดความแตกสามขคี <c oughs> การกระพูดทั้งสี่แบบนี้เรียกว่าเป็นอกุศลทางวาจาไม่ควรที่จะพูดถ้าจะพูดก็ให้พูดความจริงถ้าจะพูด ก็ให้พูดสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์เช่นพูดวิชาเรื่องวิชาความรู้ต่างๆพูดเรื่องธรรมะอย่างนี้แต่อย่าพูดเรื่องนินทาการเล <c oughs> วิพากวิจาร์คนนั้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์และคนพูดก็จะไม่มีศักดิ์ศรีคนคนฟังก็จะรู้ว่าคนนี้พูด แบบไร้สาระก็ไม่มีน้ำหนักเวลาพูดอะไรแต่จะพูดในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์พูดในสิ่งที่ทําให้เกิดให้ผู้ฟังได้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาคาพูดก็จะมีคุณค่ามีประโยชน์ส่วนคำหยาบ ก, ก็ไม่มีไม่มีใครอยากจะฟังเพราะคำหยาบ ก, ก็เป็นเหมือนกับ สิ่งโสกปรกที่ออกมาทางปากนั่นเองจะเรียกว่าเป็นขยะมูลฝอยก็ได้แล้วก็จะบ่งบอกถึงใจของคนพูดว่าเป็นใจที่สโปรกใจต่ำซาวผู้ที่พัฒนาจิตใจได้สูงจะไม่พูดคำหยาบจะไม่พูดพรุศวาสจะพูดแต่คำที่สุภาพเรียบร้อย ในส่วนคำคำพูดที่เป็นการยุยงให้เกิดความแตกแยกก็ไม่ควรพูดเรียกว่าพูดส่อเสียดส่อเสียดนี้ไม่ไหมายไ ม, ไมย่ไม่ได้หมายถึงเสียดสีแต่ส่อเสียดหมายแปลว่าพูดยุยงให้เกิดความแตกสามาคีเช่นยุยงให้คนที่เข้ารักกันโกรธกันเกลียดกันด้วยการใส่ร้ายคนหนึ่ง ทั้งๆ ท, ที่ไม่เป็นจริงหรือเป็นจริงก็ตามนะเช่นสามีภรรยาเขารพ ก, กันดีอยู่แต่เราไปบอกภรรยาว่าเห็นสามีไปเที่ยวกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้หรือบอกสามีว่าภรรยาไปเที่ยวกับคนนั้นคนนี้อย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความแตกสามคี ทำให้คนเขาต้องทะเลาะวิวาทกันไม่ไว้เนื้อไว้ใจต่อกันทำให้เขาเกิดความทุกข์ขึ้นมามคำพูดของเรานี้คนจะพูดเพื่อให้เกิดประโยชน์<ม>พูดเพื่อประสานให้คนเขารั ก, กันมีความสามัคคีต่อกันเ<ม>พะความคนที่รั ก, กันสามัคคีกันนั้นจะอยู่อย่างเป็นสุขแต่ถ้าคนที่ มีความทะเลาะเบาแววงมีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันก็จะอยู่อย่างไม่มีความสุขนี่คืออากุศลทางวาจาที่เราควรที่จะยับยัง้งคือไม่ควรพูดปดไม่ควรพูดคำหยาบไม่ควรพูดเพ้อเจ้อไม่ควรพูด <c oughs> ส่อเสียดส่วนอากุศลทางใจ ก็มีอยู่สามประการคือความโลภความโกรธและความหลงความโลภนี่เป็นอย่างไรถึงเรียกว่าเป็นความโลภคือถ้าต้องการในสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดำรงชีพกด็ดีหรือต่อการทามาหากินกด็ดีถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภเช่นถ้าเรามีเสื้อผ้าพอใส่แล้ว เราเห็นเสื้อผ้าขายตามร้านดูแล้วสวยงามอยากจะได้ขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องซื้อใหม่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภหรือซื้อในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไม่จาเป็นก็เป็นความโลภความโลภนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความหลงคือไม่รู้ว่า ความโลภนี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงแต่เป็นการนำมาซึ่งความทุกข์มากกว่าเวลาเราโลภใจเราจะกระวนกระวายจะกระสับกระส่ายจะรู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นปกติอยู่ไม่นิ่งใจไม่นิ่งอยู่ไม่เป็นสุขจะหายก็ต่อเมื่อได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้มา แต่พอได้มาไม่นานเดี๋ยวความโลภใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาอีกเพราะความโลภนี้จะไม่ได้ดับไปด้วยการทาตามความโลภจะหลับไปได้ด้วยการฝืนไม่ทำตามความโลภวิธีที่จะฝืนนั้นก็มีสองวิธีด้วยกันคือหนึ่งคือมีความมากน้อยสันโดษคือไม่ต้องการมาก ต้องการเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าอาจจะขอให้มีเพียงสองสามชุดก็พอเอาไว้สวมใส่แล้วก็ปลี่สลับเปลี่ยนเพื่อที่จะเอาเสื้อที่ใส่แล้วไปซักแล้วก็มีเสื้อที่ยังไม่ได้ใสมาทดแทนใส่เท่าที่จำเป็นนี่เรียกว่ามากน้อยส่วนสันโดยก็ ยินดีตามมีตามเกิดฐานะเรามีมากมีน้อยเรามีฐานะอย่างไรก็ให้เราพอใจกับฐานะของเราแล้วเราจะมีความสุขเพราะความสุขนี้ไม่ได้อยู่ที่ความโลภอยากได้แต่อยู่ที่ความความพอถ้าเรามีความพอแล้วเราก็จะมีความสุขแต่ถ้าเราไม่มีความพอ ยังโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เราก็จะไม่มีความสุขและเวลาได้มาก็สุขเดียวเดียวแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราจะต้องหวงต้องห่วงและจะต้องเสียดายเสียใจเวลาที่เราเสียสิ่งที่เราได้มาไปดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขทางด้านจิตใจ เราต้องตัดความโลภด้วยการ <c oughs> มีมากน้อยสันโดษหรือมีเหตุผลคือมีปัญญาทุกครั้งที่เราอยากจะได้อะไรเราควรจะถามตัวเราเองว่าถ้าไม่ได้มาแล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ตายก็ถือว่าไม่จาเป็นถือว่าเป็นความโลภอย่าไปเอามาเพราะจะสร้างความทุกข์ให้มากกว่า ที่จะสร้างความสุขแต่ถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าไม่มีแล้วจะตายอย่างนั้นก็ต้องเอามาเช่นต้องหายใจถ้าไม่มีลมหายใจก็ต้องตายก็ต้องหายใจถ้าไม่มียารักษาโรคเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องหายามารักษาถ้าไม่มีน้ำดื่มก็ต้องหาน้ำมาดื่ม ถ้าไม่มีอาหารรอบประทานก็ต้องหาอาหารรอบประทานเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นความโลภเรียกว่าเป็นความจําเป็นหามาได้แต่ต้องไม่มากกว่าความจําเป็นถ้ามากกว่าถึงจะเรียกว่าเป็นความโลภเช่นมีเสื้อผ้าล้นตู้มีรองเท้าเป็นสิบสิบคู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภไม่เกิดประโยชน์ เพราะความโลภนี้จะทำให้ใจนี้ต้องตะเกียกตะกายคอยหาอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอตายไปก็จะต้องไปเกิดใหม่แต่ถ้าใจมีความอิ่มมีความพอไม่โลภแล้วตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดใหม่เช่นใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายใจของท่านไม่โลภแล้ว เมื่อท่านแม่โลกท่านก็ไม่ต้องไปเกิดเหมือเมื่อไม่เกิดก็ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายไปพัาดพาดจากสิ่งทั้งหลายการเกิดนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเกิดมาแล้วต้องตะเกียกตะกายดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดแล้วก็ยังต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทุกข์กับเรื่องราวต่างๆ รอบตัวเราถ้าไม่มาเกิดแล้วความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่มีดังนั้นเราจึงควรพยายามตัดความโลภด้วยปัญญาคือใช้เหตุใช้ผลหรือด้วยความมาักน้อยสันโดษเราก็จะสามารถตัดความโลภได้เมื่อเราตัดความโลภได้เราก็จะตัดความโกรธได้ด้วย ก็วความโกรดนี้เกิดจากความโลภหรือความอยากนั่นเองเวลาเราโลภหรือเราอยากได้อะไรแล้วมีคนมาขัดขวางเราเราก็จะเกิดความโกรธกับคนที่มาขัดขวางเราหรือมาห้ามเราเช่นเราอยากจะไปเที่ยวแล้วคุณพ่อคุณแม่ห้ามเอาไว้หัว อ, อยา่าไปเลยอันตรายไม่เกิดประโยชน์ <c oughs> ถ้าเราอยากจะออกไปเที่ยวมากๆ เราก็จะโกรธคุณพ่อคุณแม่ได้แต่ถ้าเราไม่ได้อยากจะออกไปเที่ยวเวลาจะมีใครมาห้ามไม่ให้เราไปเที่ยวเราก็จะไม่โกรธเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนอะไรความโกรธนี้เกิดจากความโลภและความโลภนี้เกิดจากความหลงเราจึงต้องสอนใจให้ฉลาด ให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราโลภเราอยากได้เช่นลาบยศสารเสริญสุขนี้เป็นความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีมาแล้วมีไปมีเจริญแล้วมีเสื่อมเช่นเจริญลาบในการเจริญลาบก็มีการเสรื่อมลาบเป็นธรรมดามีการเจริญยศก็มีการเสรื่ยยศเป็นธรรมดา มีการเจริญมีสรรเสริญก็มีนินทามีสุขก็มีทุกข์เป็นธรรมดาถ้าเราต้องการแต่ความเจริญในลาบยศสรรเสริญสุขอย่างเดียวเวลาเกิดความเสื่อมขึ้นมาเราก็จะมีความทุกข์ทรมานใจเช่นเวลาเราเสียเงินเสียทองหมดเนื้อหมดตัวไปเราจะทุกข์ทรมานใจมากเราอาจจะคิดฆ่าตัวตายไปก็ได้ หรือเราเสียเราสูญเสียคนที่เรารักไปเราก็จะไม่อยากจะอยู่ต่อไปนั่นก็เป็นเพราะว่าเราหลงเราไม่มีปัญญาเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในโลกของการเกิดและดับการเจริญและเสื่อมเป็นของคู่กันสิ่งใดที่เจริญสิ่งนั้นก็ต้องเสื่อม ได้อะไรมาสักวันหนึ่งก็ต้องเสียไปไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราก็จะเห็นว่าการมีอะไรก็ตามนั้นไม่ดีเลยมีแล้วเ ป, เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมีเงินทองก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วเมื่อเวลาสูญเสียไป ก็จะเศร้าโศกเสียใจเช่นเดียวกับมียศถ้าถูกปลดออกไปก็จะเสียใจเช่นเดียวกับคําสรรเสริญถ้าคนที่เคยสรรเสริญเขากับด่าเราเราก็จะเสียใจและความสุขที่เราได้จากรูปเสียงกลิ่นโน้นผลิภัณก็เวลาที่มันเปลี่ยนไปเป็นทุกข์เราก็จะเสียใจเพราะสิ่งที่เรา เห็นด้วยตาหรือฝังด้วยหูนี้มันมีการเปลี่ยนไปได้เห็นลูกคนบางทีก็คนนี้เราเห็นเขาก็สวยงามแต่ต่อมาเขาก็อาจจะไม่สวยงามก็ได้ <c oughs> เช่นเขาไปประสบอุบัติเหตุไฟไหม้ทําให้ผิวหนังเขาไม่เกรียมขึ้นมาจากความสวยงามก็กลายเป็นความไม่สวยงามแล้วเมื่อเรา มีเขาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราพอเขาเปลี่ยนไปเราก็จะไม่มีความสุขกับเขาแล้วเช่นถ้าสมมุติคู่ครองของเราเขาไม่สวยแล้วเราก็ไม่อยากจะอยู่กับเขาเราอยากจะไปหาคนที่สวยกว่าเขามาอยู่ด้วยคนจึงมักจะอยากกันพออยู่กันไปไม่นานก็หน้าตาก็จะเปลี่ยนไปจะแก่ลงไป แล้วก็คนที่ยังรักสวยรักงามอยู่ก็จะไม่ชอบรูปร่างหน้าตาที่ไม่สวยไม่งามเขาก็จะไปหาคนที่สวยงามกว่ามาเป็นคู่กองของเขาแทนนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการไปหลงติดอยู่กับลาบยศสะะสรสุขไม่ควรที่จะไปหาความสุขกับลาบยศสะะสรสุข เพราะมันเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลความสุขนี้เป็นเหมือนน้าตาลที่เคลือบยาขมมีเพียงนิดเดียวแต่ตัวยาขมนี้มีมากกว่าหลายเท่าด้วยกันความสุขที่ได้จากการได้ราบยศสรรเสริญสุขก็มีเพียงนิดเดียว เป็นเหมือนควันไฟแต่ความทุกข์ที่ต้องอยู่กับลาบยศเสริญสุขนี้มีอยู่ตลอดเวลาต้องคอยกังวลคอยหวงว่าเมื่อไหร่จะเสื่อมหมดไปเมื่อไหร่จะจากเราไปเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันจะต้องเกิดขึ้นสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงควรใช้ปัญญา สอนใจอยู่เรื่อยๆว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นบุคคลนั้นมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรร ย, ยาก็ต้องทุกข์กับภรรยายมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆถ้าไม่มีก็ไม่มีความทุกข์นี่คือปัญญา ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุปทรงเห็นพระพุทธเจ้าจึงจึงไม่ได้อยู่ในวังเพราะรู้ว่าอยู่ในวังแล้วก็จะต้องทุกข์กับความสุขของคนที่อยู่ในวังแต่พอออกมาอยู่เป็นพระบวชเป็นพระอยู่ในปา่าท่านก็ได้พบความสุขอีกแบบหนึ่งที่ไม่เสื่อมที่ไม่สูญไม่หมดไปนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจ เกิดจากการชำระกายวาจาใจให้สะอาดชำระอกุศลทั้งสิ์คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดประเวณีรักทรัพย์พูดปดพูดเพอ้อเจอ้อพูดคำยาพูดส่อเสียดและความโลภความโกรธความหลงถ้าได้ชำระอกุศลทั้งสิ์ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้ว ใจจะสงบใจจะมีความสุขที่เรียกว่าปรมมงสุขขังนิพพานังปรมังสุขขังนิพพ า, านเป็นความสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนี่เองดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะพบกับความสุขอยากจะได้ความสุขที่แท้จริงขอให้เรามาชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดจะดีกว่า ดีกว่าการไปแสวงหาราบยศสรเสริญสุขเพราะพวกเราทุกวันนี้เราก็แสวงหาราบยศเสริญสุขกันอยู่และเราก็มีราบยศเสริญสุขกันแต่เราสุขกันมากน้อยเพียงไรเราทุกข์กันมากน้อยเพียงไรเราทําไมไม่ดูขรอพุทธเจ้าและพระอ ร, อ ร, อรหันตาสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างว่าท่านทุกแบบเราท่านทุกเหมือนเราหรือเปล่า แล้วเราสุขเหมือนกับท่านหรือเปล่าเราไม่คิดกันถ้าเราคิดแล้วเราก็จะรู้ว่าเห็นว่าการมีลาบยกสรรเสริญสุขหรือมีอะไรต่างๆนี้ไม่ใช่เป็นความสุขเลยเป็นความทุกข์มากกว่าถ้าเราเห็นเราก็จะมีศรัทธามีกำลังใจที่จะพยายามชาระกายวาจาใจของเรา ให้สะอาดบริสุทธิ์อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบาเพ็ญกันในวันนี้ท่านมีศรัทธามีความเชื่อว่าการบาเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธเจ้านำความสุขและความเจริญมาให้อย่างแท้จริงท่านจึงมาทำบุญให้ทานซึ่งเป็นการชาระความโลภตัดความโลภแทนที่จะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือย หรือซื้อของที่เราอยากจะได้เราก็เอาเงินนี้มาทำบุญอย่างนี้ก็เป็นการตัดความโลภให้น้อยลงไปและถ้าทำได้มากเท่าไหร่ความโลภ ก, ก็จะน้อยลงไปมากขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่มีหลงเหลืออยู่ในใจอีกต่อไปจะมีแต่ความสุขที่เหลืออยู่ภายในใจอย่างเดียวนี่คือทางของพระพุทธเจ้า ทางของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านไปทางนี้ท่านสละหมดทุกอย่างท่านบริจามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองลาบยศสรเสริญสุดท่านสละหมดท่านไม่เอายกให้คนอื่นไปแล้วท่านก็ไปอยู่ตามป่าตามเขาไปชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จนได้กลายเป็นพระพุทธเจา้า ได้กันกลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาเป็นสระณะของท่านเองและของผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องของการม า, าวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จึงขอฝากเรื่องนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิริศพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็ง เ, เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีะนาฏนาตรายและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแข้าแลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง โดยทั่วหน้ากัรเธอ